ผลร้ายของการผูกความอาฆาตหลังจากอาหารเย็นวันนั้นแล้วข้าพเจ้าได้กล่าวแนะนําสามีภรรยาว่านี่นะคุณทั้งสองน่ะผมคิดว่าการที่คุณผูกใจโกรธแค้นวิญญาณของเกรซเชนไว้ในระยะหลังๆเนี้น่ะไม่เป็นผลดีกับคุณเลยนะความอาฆาตพยาบาทจะก่อให้เกิดผลร้ายแก่ตัวผู้อาฆาตเอง